มทำเราก็เยอะแต่วาพรทานไม่รวงเทียทเท่ยวบ่อยแต่มกมั่มากๆอันี้ทำใม้ยีโตรวมขนาดนี้กันมีรายหนึ่งนั้นละเียทำให้หมวกกน่าเสียไม่ได้หมายถึงว่าจะตปเสียทุกรายนะนมีรายหนึ่งๆหนึ่งนั้นแหละที่บบต า, าตัวเดียวน่าเหม็นคับขอ้ออ่อน เออยมันระวั ง, ง, งก็เป็นธรรมจริงๆท่านาระวังตัวงั้นอ่งแคลอดเป็นอะไรท่านสุวัดนี่ก็ดีทำมาคนนั้นอไรที่ผมเพียรมากวันไหนวันที่หนึ่งปรชุมท่านุวัดิมาวันที่หนึ่งนั่นแหะพูดธรรมะกับท่านุวัสดิ์ น, นี่นนนนต้นเหุที่ผมจะเพืยมากนะ แต่นั่นจะมีใครมาอีกแต่ท่ันตุ ว, ว, ว่าคป็นสำคัญเพราะเทศธรรมาเผิดร้อนเนี่ยเพราะวันนั้นทันตุ ว, วันมาไม่มีคมใครนีได้โอกาสแล้วก็ขี้เลยเป็นยังไงภาวนาตั้งแต่ต้นมาจนถึาทางท่านบัตมนี้ท่านแึง เ, นงเอ้าว่าฟังดื่มผมอยากฟังท่านอีกเสมอเงี่ยเล่านอาฟังตอบท่านพูดได้ถูกต้องพยายามว่า ท่านเข้าใจตรงนี้เหตที่จะเป็นนี่พราะได้รับได้อ่านหนังสือท่านอาจารย์การกันเทศท่านมึงกูว่ามันน่าส่งปสารอาจารย์พูดตอนหนึ่งถึงเรื่องลราคาปัญหาเรื่องไรเรื่องวิธีแก้่เนี่ยมันท่านอาจารย์พูดรู้สึกว่าเผ็ดร้อนมากกันนึงก็ดีเผื่อว่าโศว่างั้นนะเป็นการที่เผ็ดร้อนมากรู้สึกว่าถึงใจพออ่านแล้วมันสรึกใจปุ๊บขึ้นมา มันเร่งเลยกันมีใจใจต้นเหตุมันเปนมาจากเทศกันนั่นแหล ะ, mm. ะค mm. รับเป็นคุงกู่พพื้นศพนั่นเลยเป็นอย่างดีนี่นะทีน่าฟังเนี่ยใครจะวิจัยไปที่ไหนก็ตามถ้าลงไดพูดแล้วมันปิดไม่อยู่รู้ยังไงมันก็ต้องเป็นแบบเดียวกัน นั่พูดเข้าเข้าหลักเข้าเป็นดีพูดต้องหลักปฏิบัติมันก็เข้าหลักเข้าเป็นของผู้ปฏิบัติด้วยกันเราก็ไม่มี่ค้านเราถูกต้องยอมรับทันทีเลยต้องยู่นั่งเรื่อยต่อจากนั้นไปเป็นงไงเอโอโมกตัวนั้นยังยังยังยังทพูดนาอ เมื่อปรากดแท้จริงเหมือนนี้หังนันแหละมันมีเคลืเหมือนกันแบบนี้แหละแเราหวังมันมีเคลืเหมือนกัน ก, นนรนกนารปฏิบัตินี่มีเคลือบีกสองสองจุดที่สําคัญมากคือแรกที่จะยังเข้าถึงความเชื่อความมั่นในหลักธรรมจริงๆนั่นก็เป็นจุดหนึ่งคือผมปรากฏนที่ได้ หลักตจสำคัญว่เออที่นี่ไม่เสื่อมนี่คือมันแน่ของนี่จะได้จ้ะนั่งตลอดรุ่งนะนี่ได้ได้อย่างถนัดชัดเจนทีเดียวตอนนันแล้วมันก็รู้นี่เป็นเหมือนกับว่าเคล็ดอันหนึ่งเหมือนกันรู้เออที่นี่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมแน่ๆนะพื้นแน่ใจถ้าท่านตามเขาได้ยินเลยมันจะถึงเกี่ยวเรื่องราคานี้ มนก็นมอนเตวแต่ว่านีก่นก็เป็นเทล็ดอันนี้เข้าใจแล้วก็ไปอีกจุดบาลาสุดท้ายของการปฏิบัติเราไม่ไม่ว่าจุดทำอะไรละเรายนารักานรา้ทุดกรรมุดที่ไหนล่ว่าจุดันใจของเราจุดการปฏิบัติของเราจุดความรู้ควางเราไปแล้วกันพอไปถึงจุดนั้นมันก็มีเค็ดสีเท็นั้นทับกู่ ผู้ไม่เป็นผู้ไม่ทูนั่นแค่นั้นเป็นขึ้นจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่ท่านพูดไว้ในนั้นสือนะั่นล่ะปัญญานาักปุถุชนไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระโสดาบันได้พระโสดาบันมันสามารถที่จะแก้ปัญหารพระ ธ, ธิดาคาได้พระ ธ, ธิดาคารไม่สามารถแก้ปัญหารพระนักธรรมีได้พระนากธรรมีไม่สามารถแก้ปัญหาพระรหารได้ในที่นี้ออกนั้นก็แยยไป แม้แต่พระอรหันต์ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาที่เจ้าไดนะ้แม้บรรดาพระอาจานย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระพระสารนีมะุขโมกขานั่นคือมีเคล็ดคนเคล็ดถึงจะมาแยกเคก็แก้พิเุธก็ตามก็มีเคล็ ด, ด, ดอันหนึ่งที่ท่านจะเนือองุ่นอันหนึ่งเด่นพูดพงานนะ่ายะแต่ที่พูดถึงตั้งแต่โสดาศิการนะฮะทอรหันาหาหนิ่หมายถึงเคล็ดของการแก้พิเลธ ท่านในมันแสดงแคสขึ้นมาอย่างไรซึ่งไม่เคยรู้ไปเห็นในตำลับตำราอะไรนี้เลยแต่เมื่อกลัปรากฏขึ้นมาให้อย่างเห็นอย่างชัดเจนในตัวของนำแคสเนี้ไปถามผู้ไม่เคยเป็นไม่ติดเก้าประโยชนกับเก้าสิบประโยคน์ประมาณแบบคมภีร์มาแบบหมือนกว่าสี่พันมาทแบบมฐ า, านก็ตามคำภี์ตบเัล้วไม่มีเหลือติดอ่าเราพูดเราพูดต า, า, า, ามความจริงล้วประมาตประมาฐานประมาทได้เลยใส่ปัญหาข้อเดียวเท่า น, นั้นติดเลย อันนี้ก็ยกตัวอย่างเพื่อนข้างพุทธการที่ผูกเดียนปริยัติมากๆากตัวพวกกายบิดโตกนุนหนะใ่ธรรมทานนะเนี่ยมาดูถูยียามพระกรรมฐ า, านทมาไล่เบี้ยพระกรรมานานั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงทราบอยู่ที่นี่หพอกรรมฐ า, านเ่านั้นเป็นพระอรหันต์นี่นะมาไล่เบี้ยนั่พระพุทธเจ้าเสด็จมาในขณะนั้นเลยพระเสด็จมาก็ ทงตั้งปัญหาขึ้นเองถ้าตั้ง ต, งตั้งปัญหาไปแล้วก็ถามนะพระกายบิดกโบติรัสไม่ร้านตอบนะตอบไม่ได้นั้นปุ๊บเราสั่งถามพระหราหนต์อบปุ๊บเลยนะตั้งปัญหาไม่ดีเป็นขั้นของธรรมถา ม, ถาม โธทิรัตน์นี่คำพีเปล่านี่ตอบไม่ได้หานปุ๊บมาถามพระกรรมฐ า, านพวกนี้ังทางเท่าพุทุวรรณนีกเขากรรมฐานตอบปุ๊บเลยตอบปุ๊บเลยถามทําแรกตอบถามอนนี้ปุ๊บตอบปุ๊บตอปุ๊บอยออนั้โบกยกขึ้นเพื่อจะมาประมาทพระกรรมฐานบุเธอทั้งหลายมันเหมือนกับคนเลี้ยงโค ได้ค่าจ้า ง, างวันวันหนึ่งวันพอได้ปีละวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นอืมลูกลเราจถากนี่เป็นเหมือนเจ้าของโขน่ะถึงเมื่อไหร่ก็ได้ใช้สออะไรก็ได้ไดเป็นกรรมบัดเป็นของตัวเองพอค่าจ้า ง, างวันของผู้ใดก็ไม่เป็นลูกจ้างของใครนี่เอาวิจารณ์เฉลี่ยไม่ไถือมี นี่คือมันมีเคลนดมันแล้วผู้ที่เป็นจิตเป็นไปยังไงนี่มันพอมาเล่าให้ฟังนนั้มันเข้าใจเช่นซ้ำซ้ำคัญมผิดนี่ก็เข้าใจซ้ำความผิดเข้าใจว่าถูกแล้วถูกฟังผู้ที่ผ่านไปแล้วเข้าใจถึงไม่จริงคือไม่ถูกอย่างที่ว่าสมมุติว่าซึ่งอย่างราคะสิ้นแล้วอันนี้เป็นต้นอาล่อล่องเป็นยังไงยิ่งโตยังไง เล่ามาเล่าม า, มาแล้วนาทนมันิดเอะกระซ่าเลยถึงจุดมันสิ้นจริงจริมันก็มันก็มีเหตุมีผลของมันเองมันก็เข้าใจกันทีที่ฟังขอให้ปฏิบัติให้ผ่านไปรู้ไปผ่านไปเถอะึิไม่อยู่นี่พอปุณบนี่ผมเคคิดถึงหลวงตาใบหลวงพ่อไว้อยู่บ้านหนองผืออายุเจ็ดปีบแบบต่นนั้นมันสส มันนคกลงไปกลงมาถามหลงนาเป็นไพ่อพ่อหงปพ่อหน่อยแริงๆพูดขบคุณดีนการภาวนาโอโหภนาทุกวนนี่ดีท่าพูดเองแหละวันดีแต่ก่อนเรื่องยาฆ่ามันดุ่งเหลือเกิน แล้วก็มีพระมาเล่าใหฟังนุ้มท่านสิงทองมั่งท่านจันหลุยบั่งที่ใครนุ้มเป็นท่านสิงทองเล่าใ้ฟังแต่ท่านสิงทองเล่าผมไม่อยานั่นแต่ก็เสริมเก่งคือเอาเอาความกินมาตัวนิดหนึ่งแล้วผสรมใช่ไหมเพราะเสริมแต่เราก็เคยไม่ใช่เสรินแก้งแต่โกหกเลยนะเสริมแต่ยัง ouais มีคนอื่นพูดคนอื่นพูดอีกอันนี้ก็ท้าวัตถุมันแบบโลกก็มันก็หยาบคายเนะหยาบแต่พูดถึงเรื่องของธรรม ตามที <documentation> <volunte S 3> ่ท่านว่าเจ้าของเองนั้นท่านว่าเป็นธรรมนั่นนะนัยนั้นท่านขู่เจ้าของเองพอตื่นขึ้นมาเสียงวูวูวูดังเท่าแทบทุกวันฟังพระเนีต้องกรรมสาสีโกมนาด้วยกันพอตื่นขึ้นมาดึ๋งต้องเสียงปุ่มปุ่มปุมปุ่มปุ่มเหมือนกับดุใครเหมือนกับบ่นให้ใครต่อใครว่าใครขู่ใครดุใครนั่นแหละพระก็ฟังอย่างต่านดุใครดุใคร ติดดึกคุณพอได้โอกาสเลยไปถามมันตองนา้ตอนจงปาเรื่อการพี่คมะนาวผ่านจากน้องผือสามกิโลครับเป็นไงน้องพ่อรู้ว่าท่านจะรวยองค์นะตอนเช้าทาไมตื่นขึ้นมาก็ฟังเสียงเหมือนกับดุต่อใครวุ้ยวุ้นั่นเหมือนกับดุให้ใครไม่พอใจเราใครอ๋อมัน แล้วะไอ้นี่ไอ้บ้าเนี่ยเครียดว่านี้ตื่นพอตื่นขึ้นมาจาของพอตื่นแล้วมันตื่นขึ้ น, นก่อนไห <c oughs> คุยงี้เลยจังโมโหเยอะจังเอาไปลองไหมแล้วผ้พ า, พ, าพ้าฟันมันขาดสะ บ, บัดเลยเคยเล่นกับมันมาพอแล้วเคยรวมทําตามมันมาพอแล้วมันทำไมมันยังไม่เห็นกลิ่นมสักที เท่ามันจะตายแล้วมันยังมาดิ้นเลยรอยีเจ้าของตื่นมันตื่นก่อนเจ้าของแล้วมันเนี่ยโมโหนี่แผมว่าเนี่แหละม โ, มโโหดิจะ <c oughs> <c oughs> จับมาอามาลองไม้แล้วควันขาดทุบบ้านหนึ่งมางั้นนะ <c oughs> นี่แหละหนึ่งนะแ ต, แต่ตอนนี้นหลวงพระเรามาลังเลาให้ผมฟัเนาะเจ้าผุนในวันตุ่ษจิก่อนราคามันกวนว่ามันทราบเป็นไงไหวแก่ขนาดนี้มันจะยังเต่งมันปวด พี่พอมาพิจารณาเรืออ่องอัศวะปรากฏพอป ร, ะกะรอากฏอัศวะแล้วมันเลยดับเงียบไปเลยตั้งแต่นั้นมาสบายเยนี่มันกวนอยี๋นี้เหมืนอนแต่ก่อนเงียบเลยพอพิจารณาอัศวะพี่เอาเรื่องพิจารณ า, าพรณาอะไรอ่ะองอรยู่ให้เล่าผมผมไม่ผมไม่ว่าอะไรผมไม่บอกนะพี่ก็ถุง ก, ก็ไม่บอกคือมันมีส่วนได้เสียอยู่ตรงไหนนี่เราก็ไม่บอก แั้งรอบไปทั้งอไปก็ไปอยู่ตรงนั้นเนอะเป็นความสังขารเสื่อควาเข้าใจเ่อทงเราก็บอกวิธีเนี่ยเราบอกวิธีบอกวิธีทดลองหนึ่งแต่เราไม่ได้บอกทดลองนบอกวิธีถ้าน้องพ่ออยากจะทราบเรื่องเงินชิ้นหน่จุดเงินินน่งดน้องพออะไรยานี้ก่อนอะไรทีางนี้นะคือให้พักกับพรไว้ พิณาสุภาคือเรารู้แล้วมันไม่น่มันไ่สิแล้วสงบด้วยสุภาเลยนี่พิณาในสองคืนเท่านั้นเนี่ยยิงปุ๊บปั๊บปุับหาเดินซกเซ็กซ์เซ็เไปยังไอโอ้ยมันมันยังเพอพิณาคืนเียวแล้วมันก็รู้ว่าคืนที่สองนี่มันยุ่งใหญ่ก็นั่นแหละที่ท่านนี้เลยบอกวิธีพินา พี่ให้ิจารณาแบบนั้นนะพี่เนี่ยสงบพี่นะพี่ตั้งใจสงบโอ้ความยิ้มันไม่ดับมันนอนอยู่ใช่เราก็เลยบอกวิธีพิจารณาผมนั่งผมออกแขนน้องคือไม่ใช่จนิงแต่แต่ก็ที่ผมบอกพิจารณาขั้งสุดท้ายคนร่าลเราฟังว่าได้ผลดีแต่ยังไม่ใช่ผลที่ต้องการคือว่ามันงับรวมกันที ตื่นชางนมาเสียงบน่นเสียงดุเพราะพี่พีพ่อยู่คนเดียวถ <c oughs> ามว่าไอ้ น, นี้มันกลัวมันตื่นก่อนจะปลอมั่นตื่นก่อนจะของไอ้จูนะมันตื่นก่อนจะปลอ <c oughs> ไอ้นะ <c oughs> อจอ <c oughs> ไอูไอ้จอดนี่คือความต้องการเข้าใจว่าขิ้จริงๆนะคุณาขั้จริงที่มาให้เล่าให้ฟังพเล่ามาอย่างนี้โอกตายความสำคัญอย่างว่านี่ยเพราะ สติปัญงาไม่รอดไ่เข้าใจราเลให้อุบายเป็นการทดลองให้พุท่ารู้เองพุท่าพิจนาพพิจที่สอคืนมนเริ่มเป็นตั้งแต่คืแนแรกพราะคืนที่สองยุ่งใหญ่เลยมัเนเดเตั้งโดดมามีเอาที่นีเปลี่ยนใหม่ให้พิจนางั้นน่นเพราะว่าเ่อวั น, น, น, นลังมาเขบอกว่ได้ผลดีที่แล้วเพราะ ได้โอกาสแล้วเราก็เลยออกเที่ยวเลยตั้งนั้นมาก็ไม่กลับน้ำขึ้นจึพุเจ้าก็ตายไปแล้วแหละแล้วไม่รู้ไปถึงไหนโดเรื่องพุทธบาลนายน้องสงบดีอะหมอเรื่องนี้มันไม่ใช่เริ่อมันละเอียดแล้วอ่อยขึ้นไปละเอียมากนะันนี้เห็นดมเราก็เค ย, เคยลองผมเคยทดลองแต่ผมไม่ได้ไว่าใจ ง, ง่ายๆนีนะคือทดสอบหาแง่หา อะไรมันอยู่นั่งเตได้ความชัดเกียมเพราะอำนาจของอสุภะเนี่ยมันเด่นอจริงนะผมทำนานมากจริงนะโอยมองเห็นอะไรมันเป็นสภาพให้มดเลยเป็นปกติของมันอย่างนั้นเมื่อมันถึงขั้นเต็มที่แล้วมันเป็นปกติของมันเลยมองดูคนดูหญิงดูชายมันไม่เห็นหนังนะมันคุ่มเข้าไปเห็นข้างในอสุภะไปทางเต็มไปหมดคนทั้งคน แล้มันจะเอาความสระม่อมไปิน ไ, ไ, ไ, ไี้มันรวดเร็วด้วยนะปุ๊บปุุ๊บุ๊เยม่องตัว น, นี่ก็เ ร, ร, รื่องราคงสมองเรืองอสมองว่าจงกระต้าหายเงียบไปเลยนี่จะทไงมันก็เงียบทาไมก็เงียบอยังไงตอนที่เราไม่ไว้ใจก็คือว่ามันค่อยเบาลงไปเบาลงไาลงไปแล้วเรหายเงียบไปเลยไม่รู้การรู้เวลามัน มันสิ้นมันสุดตรงไหนมันค่อยๆเบาไปเบาไปแล้วหายเงียบไปไม่ไม่ทราบมันหายเงียบไปจนกวันไหนคือไม่มีขนาดไม่มีวาระที่พอจะสดุปใจของเราไม่มีเหตุที่เราจะเป็นที่แน่ใจมันก็เหมือนกับมันสิ้นสุดไปแล้วทำไมเพราะอำนาจอสุภธะมันมีกำลังมากมันพอบไว้หมด มันทมาแยกมาข่้นมาทิ้งสุภาทดลองดูมันดูนทิงก็ตามิงจรงเจริญสุภาขึ้นมามยืนไหนยืนไหนกเจริญตั้งแต่สุภางั่นสามคืนแรกไม่ได้ความเลยเนะไม่ปรากฏเลยจริงๆตั้งหน้าตัางตาพิจารณาตั้งแตบสุภามันไม่แสดงเลยนะสามคืนแนระจนกระทั่งคืนที่เศษมันถึงบยบ น่านเห็นไหมเห็นไหมวเนะี่ยยื้ยื้ยขึ้นมาน่านเห็นไหมอ้าอเปิดโอกาสต้นขึ้นเพราะมันมันจะตีมันอย่างถนาดเลยนะพอเราพิจารณาขึ้นาามาเพื่อจะไปจับตัวมันอย่างขนัดชัดเจนพอขึ้นยี่สีบมันก็ยื้อเยอะๆขึ้นมานี่านเห็นไหมว่ะน่านที่นี่วะรู้ตัวหมดแล้วที่นี่นะแต่พอเราเราเร า, เรายาแก้ของเรามันเร็วนี่นะเพราะอาตมามันเป็นยาแก้สําทัญมาก มันทำงานอยู่แล้วนี่พอมันยุ่งยาก<ม>พอกำหนดทางอารุภะเพิ่มอีกเพิ่เดียวเลยหมดไปเลยนะมันเร็วขนาดนั้นเลต้องอมาแยกแยกหาวิธยยีแก้ไขหน่ะเอาจนกระทั่งคนที่แน่ใจพอถึถงเวลามมันนี่มันก็รู้ของมันเองอืมอมันเป็นอย่างนี้นี่บรามเข้าใจ พอใเองพอใจในหลักธรรมชาติต เ, เป็นความคิดของจิตเองน้าไปไหนนี่มันก็หมดคําว่าอสุภาษ์มันก็หมดปัญหาไปเยอะสุภาก็หมดปัญหาทั้งหมดปัญหาทั้งสองทางนี่เลยเมื่มันพอตัวของมันแล้วนั้นไ ม, ม่เอานั้นมาอวดเอานี่มาอ้างว่าอสุภาษ์มาอวดบ้างสุภาษมาต่อสู้กันบ้างอางนั้นแล้มันก็ผ่านตรงกลางนี่สุภาษ์สุภาษ์นี่ก็ เข้าใจว่าต้นเห็นมาจากไหนเข้าใจท่าเปี่ยนีึงด้มันจะมีแค่ตรงนี้กันทุกงานเป็นอารมอันนี้มาเราทามันมาเป็สี่ปีอยู้วคือพอเราทางานอะไรอย่างนี้คิดอย่างอื่นล้วไม่ทานะคิดอย่างอื่นอะไรเงีมันก็ไม่ทำ แต่แต่ไคิดขึ้นเรื่องไม่คิดลอยลอยนะไม่คิดด้วยความเจาะจงหรือความกำลังดีอะไรนะมันคิดขึ้นมาลอยเปคิดถึงเรื่องการรู้ความคิดความันแยกถึงมันรู้ทันทีเลยนะคิดอย่างอื่นไม่รู้ไม่ถ่ายก็ได้แต่พอมันคิดเรื่องนี้เรื่องการพิเรนพอแยกขึ้นมาเป็นต้องผ่านทุกทีไม่เคยผ่านไปได้แม้แต่ขณะ้นและฉะนั้นมันจับตัวมาได้ข้ามมาได้คือสี่สี่สี่ เรืนั้นไปถามเรียนถามผมอาจารย์ทำทำเรืร่องราวเรืร่องเป็นเรื่องนี้แล้วบอกว่าคิดอย่างอื่นมันคิดมันไม่มันมันลืมอยู่แล้วมันก็ลืมประดูมมันไม่รู้สึกคิดเรื่องอื่นเนี่ยสติเหมือนมันก็เหมือนไม่มีความคิดธรรมดาทั้งหลายคิดเรื่องนั้นมีองนี้ธรรมดสติไม่ทันแต่เวลามาคิดเรื่องก ร, รมแล้วเรียนที่ทำใหม่ขึ้ น, นรายๆมาตาม มันทันทุกทีเลยไม่มีภาดมันเป็นปเพเห็นไรนะ ท, าออท่าอธิบาย น, นหน้มามนี่ยรรู้สึกว่าซึ้งเนี่ยทุกสีส่ี น, นทัททนกันอย่านั้นแหะแต่มันจับไม่ได้ถ้าเป็นตัดก็อามรอยมันทันตัวมันแต่มันจับตัวมันไม่ได้ อมผู้หญิงคนหนึ่งที่มากับคุณหลวงอภิชจรมิตรประภรุณีที่เพิ่งเคยพูดถึงี่เต่ก่อนเราแล้วลูกสามมาล้กภาวนันพูดภาวน า, นาน่าฟังนะผู้หญิงคนนี้เราก็ควรได้บอกว่านี่ธรรมะที่จะเทศที่จะอธิบายให้คุณฟังนี้นะไม่เคยอธิบายใาษาละวาฟังเลยแต่วันนี้จะต้องอธิบาย เพราะทํามันเป็นนิ่งไม่ถามไม่เห็นเพศเราจะอธิบายตามเหตุผลของจิตที่มันปิดข้องมันเป็นยังไงเราอธิบายสองนั้นยกเพื่ออธิบายเกี่ยวกับเรื่องอภิปักษ์อภิพาณนีวิธีปฏิบัติปฏิบัติยังไงมันก็จะผัานเราก็ขึ้นบารให้กันแต่เราบอกไว้ก่อนนะทําำมาอย่างนี้เราไม่เคยเที่วในกรว่าตั้งมาแต่นี้เมื่อจิตใจมันเป็นอย่างนี้มันควรอย่างยิ่งที่จะต้องพูดเนี่ยนี่ลงในแง่นี้แง่อื่นไม่น่า เนีย cool <t <t ่ยความจำเป็นางนี้เริงจะต้องพูดธรรมะแบบนี้นะวันนี้นั่นแหละคารวาสข็เพิ่งมีคุณเป็นคนแรกที่จะได้สั่งตัวแต่น่าจะขางเลยอางนียแต่เรารู้สึกว่าจะซึ้งมากจะจับเงินได้ยอดสุบาย่ังไม่ได้ยงไงก็เราเคยเป็นมาแล้วนี่มาโกหกนี่เป็นยังไงไงที่กระผลได้ปราผลมาแล้วด้วยกันที่สองทไมมันจะผิดไปได้เขาพูดอย่างนี้ เป็นธรรมุสิทธิ์อุตสาหทำงานอะไรงานมันคล็ดลับว่าฟังแต่ว่าจะเป็นไปไ้เพราะก็มาอยู่กันหลายคนธรรมราเขาไม่ควรไปเจแต่นี่เขาก็มีเวลาน้อยด้วยที่เขาจะมาศึกษาของเราโดยเฉพาะจะอธิบายก็ามหมาความก็ไม่มีอะจาเป็นจะต้องอธิบายนั่นดังนี้ดังนั้บิ่นพัน ตั้งความแลถ้ามันอยาจะมีอะไรที่อธิบายมุขวันฟังหรืออธิบา ย, อายลองฟันฉะนั้นก็นเอาเนะไปจูนั่นมันตื่นก่อนคนนะเรากุ้ท่อเอา